มันแต่ก่อนชวงก่อ น, อนรู้สึกว่ามันยากแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเ อ, อการดื่มน้ํามืมอไปะยะกแก้วหรืออะไรเนี่ยมันเห็นต่อเนือ่องต่อเนือ่องการเป็นเม้มปาอะไรอย่างเงี้ยพ่อจ่ายมันเห็นชัดเห็นกายชัดเจนขึ้นนะคะ่ะแล้วก็ เห็นที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยคือตัวเองเป็นเป็นเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้พวกคันๆนะคะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอาการทางกายที่เวลาถ้าเราไปฝืนมันมันทรมานมากๆแต่ถ้าเราไปไม่ฝืนมันเราเป็นเกามันอะไรแต่มันจะขึ้นเป็นผื่นทั้งตัวเลยทีนี้เราก็เลยแก้ไขมันโดยการเราดูมันให้ดีๆดูมันให้ชัดๆเวลามันคันดูไปรู้มามันก็หายคันไปเลยนะคะอาจารย์แล้วก็เราเราเป็น ไม่ต้องกาด้วยและจากที่เคยเป็นเหมือนแบาเป็นลมพิษอย่าอาจารย์เหมือนลักษณะไล้ๆอย่างนีนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราเราเห็นเวลาเราจะเราคันเนี่ยเราจะต้องดูมันก่อนก่อนที่เราจะเอื้อมมือไปเกาวมาดูมันไปอ <c oughs> ดูไปดูไปเราฝืนนะอาจารย์จริงๆแล้วก็คือทวนอารมณ์ฝืนมานอ่ะมันหายไปได้ด้วยอะคือเลยรู้สึกว่า จริงๆแล้วกายกับใจนี่มันคนละส่วนกันเนาะอืเวลาที่เราดูให้มันชันชากับอาจารย์หลับโยมมันรู้สึกแบบแต่มันก็ทรมานนะพอเรามองมันดูช่วงแรกๆอะค่ะคือจะดูได้เรื่อยๆนีถ่ถ้าไม่ปล่อยเดี๋ยวมันหายถ้าไม่ปล่อยแล้วความทรมานมันจะไม่มีค่ะคือตอนนี้ยังมีอยู่นะคะอาจารย์ทรมานอยู่แต่ว่ามันน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะอเแล้วเราก็เราก็ไม่ต้องกินยาด้วย จากที่เราจะต้องพอเราคันแล้วพอเราเป็นผื่นเราต้องไปกินยาเราไม่ต้องกินยามันมันหาย ไ, ได้ด้วยดีใจจัง <c ười> คือกายกับใจมันเป็นคนละส่วนกันได้เนี่ยค่ะจากที่ จ, จากภาคฝึนที่ปฏิบัติ น, นะคะส่วนนี่เนะี่ยหน่อยแนะนำหน่อยตรงนี้นะต่อไปะนะเวลาอาบน้ำอย่าใช้สบู่ใช้ผ้าถูแทนแล้วมันจะหาย<อ>เพราว่าเพาว่า บางครั้งน่ะไอ้ตอนนี้เรื่อสุขภาพนั้นบางครั้งน่ะจุลินทรีย์บางตัวที่ผิวหนังอ่ะเวลาเราใช้สบู่ลมชำระล้า ง, งหมดหมดมันเป็นตัวเซลล์ตัป้องกันน่ ะ, ะจะหายไปเคยเป็นอยู่ลหลังจากมาค อ, อเลยเหนื่อยมากๆเปียกเงื้องโซกโซ่มากๆก็จะทำทำแล้วใช้สบู่สักครั้งหนึ่งต้องลดล ด, ลดลดลดการใช้สบู่ลงสิใจใจดีขึ้น ออขอบคุณค่ะ<ข>อาจารย์ค่ะได้นาเรื่องสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะทีนี้พอเมื่อกินนึกถึงกายที่โยมพูดแต่ทีนี้เรื่องใจใจที่มันหลงที่มันเพลินมันก็มีอยู่ทั้งวันะอาจารย์เพราะว่าจิตมันไม่ได้จิตคนเราไม่ได้อยู่เฉยๆอ่ะมันมธรรมชาติที่โยมรู้สึกอ่ะมันไปไมามาไปไปมา ม, ปมาแต่ว่าเรารู้สึกได้เร็วขึ้นกลับมาอยู่ตอนมันกลับอ่ะมันหยักลับมาเรามารู้ที่กายนะคะ ไม่ว่าจะกระพิตตาหรือลมหายใจหรือมือกำละขยับกันก็แล้วแต่คือจะกลับมาที่ฐานกายอาจารย์แต่ว่ามันเร็วมากขึ้นนแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยค่ะอคันนี้ก็จะเห็นเรื่องชินเรื่อชินการรู้กายก็ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นล่องใหม่ขึ้นมานะคะอาจารย์จากที่ว่ามันมันหลงแต่ว่ามันมันรู้เร็วขึ้นเร็วเร็วขึ้นกว่า สองวันที่แล้วอ่ะเร็วขึ้นนะอ่ะแล้วก็เห็นอารมณ์อารมณ์กิจถ้าอารมณ์รมแรงๆเคยรายงา น, นพระอาจารย์ไปแล้วนะคะถ้าเวลาโกรธอ่ะจะเห็นชัดจะรู้สึกตัวได้เร็วเวลารู้สึกตัวเวลาโกรธอ่ะเห็นใจสัตว์มารู้สึกใจมารู้สึกใจอ่ะพระอาจารย์ว่าใจสัตว์เริ่มรู้สึกตัวร้อนวบวาบวบอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าการที่มารู้กายตอนโกรธอะ่ะอันนี้ทําเป็นทํำได้บ่อยจนมารู้สึกว่าโกรธมันก็เลยดับเร็วแต่ว่าตอนตั้งแต่มาฝึกภาคเนี้ยอารมณ์ที่หงุดหงิดเล็กๆน้อยๆอะ่ะเริมนิดเดียวค่ะอาจารย์เราก็รูแ้แหละเรารับรู้มันได้ด้วยจริงๆแล้วออพอมาฝึกตรงนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่หงุดหงิดม่เห็นไม่เห็นข้อมม่ที่ของตัวเองกับอาจารย์คือปกติเราหงุดหงิดแต่เรา กุดหินเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราไม่แปลอะไรเล็กๆน้อยๆเราจะมีเห็นมันแต่ตอนเนี้ยเราเห็นมาทั้งวันเลยค่ะอาจารย์เห็นข้อไม่ดีของตัวเองนะคะ่ะอืมค่ะอันนี้ก็จินมันไวขึ้นจิตมันไวขึ้นมันมันไม่ปล่อยให้เมื่อก่อนมันจะเริ่มมุนหงิดก่อนแล้วกลายเป็นโมโหแต่เดี๋ยวนี้โอ<ช>เคยุดหิ น, หนหแล้วหายไปการไมโหกดไปจะกอตัวไม่ใหญ<อ>่ก่อตัวอันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ก่อน ใช่ค่ะเห็นเล็กๆก่อดเลยแล้วไม่สนองมันด้วยนะพระอาจารย์พอเห็นปุ๊บเนี่ยมันมันก็ดับไปเลยอ่ะเออจริงเลยมันค่ะความคิดที่เกิดขึ้นก็เกิดทั้งวันเลยนะคะพระอาจารย์จริงๆแล้วความคิดเนี่ยมันขึ้นทั้งวันเลยนะแต่ก็เห็นมันแล้วก็ถ้าไม่ทันมันอ่ะก็ไหลไปเลยแต่ส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วอ๋อมันมาแบบนี้แล้วมันคือเริ่มมีทางเริ่มรู้ทางของเขาอ่ะพระอาจารย์ว่ามันเป็นแบบเนี้ย คือเราเลือกได้ที่จะเลือกที่จะคิดต่อหรือไม่คิดต่อได้อย่างเนี้ค่ะอาจารย์กำลังของตัวอีที่ขึ้นแล้<า>ตัวรู้นี่กำลังของตัวรู้ว่าดีขึ้นเลยพระอาจารย์รู้สึกได้ว่าไอ้ไอ้อย่างที่เราไม่เคยรู้ละเอียดละเอียดหลายๆเรื่องอ่ะเราก็ไปลุยมันได้แล้วก็รู้จุดอ่อนของตัวเองว่า อันนี้สังเกตตัวเองนะว่าการปฏิบัติทําไมบางทีมันยังไม่ก้าวหน้าก็จะเห็นจุดอ่อนของเราก็คือการที่เราพูดคุยอยู่คนเดียวอะ่ะพระาจาชัติจะเร็วมากเลยจะรู้สึกตัวเองดีแต่ถ้าเราพูดคุยไปง่ายฟังก็ยากแล้วแต่ถ้าเราพูดด้วยอะ่ะพูดด้วยฟักด้วยยิ่งไปกันอย่างก็จะต้องโดยการบางีก็กระพริบตาหรือบางทีอันนี้อันนี้สร้างขึ้นมานะคะพระอาจารย์ ตัวที่ต้องสร้างขึ้นมาระหว่างที่พูดคุยอะเห็นรู้สึกตัวเองเลยว่าเราต้องทำมันไม่งั้นเราจะไหลออกค่ะแล้วก็เรื่องการใช้โทรศัพท์เนี่ยบางทีที่เราเผอในการกดไลน์ดูสิ่งจําเป็นแบบแป๊บเดียวเองแต่สิ่งที่ไม่จาเป็นแบบเยอะแยะมากมายโดยที่เราก็ลืมตัวก็เห็นหลังๆก็เริ่มรู้ว่า อ, อ๋อถูกต้องมันเป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของอาหารทีนี้ก็เลยจํากัด แต่ละมือแต่ละมือให้พอเพียงสิ่งไหนที่จะกินสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันเกินจำเป็นอย่างเงี้ยเราก็ตั้งสติให้ดีคือจริงๆก็รับรู้กับการไอตัวรู้นี่แหละเราจะทำอะไรจะทำอะไรเนี่ยก็จะทันมันนะทั้งเรื่องกินเรื่องกิจกรรมที่ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกเลยว่าเป็นจุดอ่อนมากๆในการที่จะต้องทำกิจกรรมในชีวิตที่จะต้อง เร่งรีบอะค่ะอ า, าจารย์<ม>เราต้องเร่งรีดกว่ากว่าปกติอะไรแบบเนี้ยมีงานมากขึ้นไอ้ตรงนี้มีจุดนี้ที่จะต้องทาเพิ่มขึ้นจากวันอื่นๆ อ, อย่างเงี้ยไอลักษณะกิจกรรมแบบเนี้ยก็จะหลงง่าย<ม>เพราะว่าพอเรารงรีบอะเราก็ไม่ดูตัวเราแล้วเราก็จะหวังแต่ผลลัพธ์ให้งานเสร็จ<ม>ให้มันเสร็จเส็เส็จเร็จโดยที่เราก็ไม่ได้ดูดดาการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวทางกายจิตใจ อันนี้ก็เป็นจุดจุดอ่อนนะคะที่ ท, ที่โยงดีแล้วค่อยๆไปไปจุดไหนที่เรารู้จุดอ่อนอ่ะทีนี้เวลาจะทําเรื่องนั้นอ่ะเราพยายามทําให้มันบ่ยบอยๆทีนี้ให้ให้เก็บให้เก็บรักษ า, าทั้งสามเรื่องนี้ดีๆนะที่เราฝึกกันมาแล้วาเรื่องเนี่มาข้างเรื่องเรื่องขั้ น, นตอนที่สามเนี่ยพันท์ีโครงสร้างของการฝึกเรายอยากตรง้ให้ชัดกัน พอจะมาพอยากอธิบายไว้ก็จะชัดเท่าไรที่ให้สังเกตโครงสร้างของเรื่องที่สามพบว่าไล่ไปก่อนอ่ะโครงสร้างของเรื่องที่หนึ่งคือการฝึกแยกใช่ไหม<ฆ>ที่เราฝึกกันฝึกออกที่เราเห็นนะ<ฆ>ฝึกออกอ่ะออกแต่เราโดยการหัดแยกทั้งภายในและภายนอกที่เราใช้ตัวกดอ่ะภายนอกกลุ่มหนึ่งภายในกลุ่มหนึ่งใช่แล้วก็ตัวรู้กลุ่มหนึ่งเนี่ยนี่คือภาคที่หนึ่งแภาคที่สองคือเมื่อเราฝึกแล้วเนี่ยเราลดตัวกดลง แต่รูปแบบของการเดินโยกงคงอยู่เหมือนเดิมอาจจะเป็นโยกงอยู่เหมือนเดิมเนื้อหนึ่งแต่ตัวกดจะลดลงไปเหลือแค่ห้ารแต่ว่าให้เพิ่มการฝึกฝืนเข้าไปใช่ไหมนี่คือโครงการที่สองส่วนโครงการที่สามเนี่ยมันเป็นโครงการการฝึกฝึกให้จิตเนี่ยอยู่ระหว่างกลางให้จิตอยู่ระหวาา่างกลให้คอยหัดสังเกตคล้ายๆกับโครงการโคงการที่หนึ่ง แต่ว่าสมมติเราฝึกเราฝึกในรูปแบบมาได้แล้วทุกเช้าหรือทุกเวลาที่เราตั้งเครื่องชั่วโมงเราฝึกได้ละสองเราฝึกได้ประมาณสักห้าร้อยครั้งกึได้ห้ารอยครั้งเราฝึกได้ละที่มาฝึกเขั้นตอนที่สามคือฝึกให้ใหัให้เขาอยู่ตรงกลางเขาว่าอยู่ตรงกลางคืออะไรอยู่ตรงกลางเหมือนที่เราเห็นนี่ยเช่นะชว่าหนึ่งคันนี่คือข้างนอกอยากเก่านี่คือข้างใน ให้เห็นรู้ที่รทั้งอาการคันให้เห็นตัวรู้ทั้งรู้ทีการอยากเขาและความคิดเรื่องกิจะเกาด้วยอย่างนี้ก็เริ่มฝึกโครงการท่ามให้ก็อยู่ระหว่างกลางให้ให้ตัวรู้เนี่ยอยู่ระหว่างกลางทั้งสองากางกว้งเห็นทั้งสองสทั้งนอกทั้งในก็คือกอนี่แหละนี่แหละคือโครงกาที่สามโดยเราให้มันเป็นการรู้สึกตัวแบบธรรมชาติมากขึ้นไม่มีการเมื่อเรา ต่อไปเราหัดเลยนะก็ได้ห้าร้อยเราทิ้งเลยเราหัดให้มันอยู่ระหว่างกลาอย่างเงี้ยระหว่างกลางหมายา <ปะ S 1> ไม่มีการแทรกแสงทั้งเรื่องข้างนอกทั้งเรื่องข้างในปล่อยให้เรื่องข้างนอกก็เกิดก่อนแล้วรู้ปล่อยให้เรื่องข้างในเกิดก่อนแล้วก็รู้ ร, ร, รู้แล้วก็ดูเขาไม่มีการแทรกแสงใดๆแต่ว่ามีการว่าหัดรู้อยู่ระหว่างกลางให้สังเกตุ <millennials> นี้แล้วเวลาระหว่างกลางหายไปเนะี่ยให้รู้ด้วย อย่างเช่นบนางครั้งง่ายๆให้รู้ด้วยแล้วพอมันหายไปก็ให้รู้ด้วยบบให้รู้ด้วยว่ามันหายมันหายไปเนี่ยหายพอดส่วนใหญ่ที่จะหายจะหายอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเราเสียศูนย์จากการอยู่ระหว่างกลางปุ๊บมันจะจงไปข้างไหนจะเป็นส่วนใหญ่มันจะจงเข้าไปเพลินกับฟังคิดบ้างเพลินกับอารมณ์บ้างเนี่ยเพลินกับเพลินกับฟวาคิดเพลิดเพลอารมณ์แล้วจะเห็นว่าไอ้ส่วนไอ้ส่วนนอกเนี่ยเราจะหายไป เราคอยดเติมให้จิตเนะี่ยมันอาศัยส่ยสวนนอกอุปกรณ์อยู่เรื่อยๆแต่ไม่แต่ไม่แทรกแซงส่วนในนะเพราะส่วนใหญ่บางครั้งเราเติมส่วนนอกเช่นเราเติมตาหูจมกูกเปลี่นกายรูปเสียงกิริสัมผัสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนะี่ยเราเติมอยู่เรื่อยๆเติมอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ว่าลึกึๆเราอะพอมาเติมบ่อยๆเข้ามันมีกําลังของสมาธิในการที่จะเป็นตกส่วนไหนอ่ยเช่นพอรู้ความคิดปุกความคิดจะหายไป พอรู้อารมณ์ปุ๊บอารมณ์จะหายไปอันนี้มันหยุดอารมณ์เหล่านั้นได้ด้วยกําลังของสติกับสมาธิแต่มันไม่เกิดปัญญาในการเรียนรู้อันนี้ถ้ากําลังของสติสมาธิอ่อนเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้ส่วนไหนที่มันปุ้งขึ้นมาเนี่ยปุ้งขึ้นมาใหม่ใจเราจะไม่คุ้นชินกับการเรียนรู้มันจะจะคุ้นชินกับการเข้าไปอยู่กับมันก็หลกเข้าไปเลยอ่าทีนี้เราต้องสังเกตแค่นี้พอ ต่อไปอ่ะส่วนหนปล่อยมันเกิดอย่าห้ามแต่อย่าตามแต่เรายังรักษาทิ่กรรมคือไกากรรมวจิกรรมของเราสาังาหลายนี่เอาไว้อีกอย่าห้ามอย่าตามแต่ว่าเติมส่วนเติมส่วนนอเข้าไปแล้วให้เห็นสังเกตวละเม อ, อมัทมาตตอนไหนก็ตามนะถ้ามัามาตเห็นระหว่างสองส่วนนี้ได้แสดงว่าอยู่ตรงกลางเช่น ข้างนอเคลื่อนไหวอยู่มีการกระทบอยู่ก็รับรู้ได้ข้างในมีการคิดนึกมีอารมณ์ด้วยเราก็รับรู้ได้อันนี้แหละมันจะฝึกส่วนที่สามโครงการส่วนที่สามก็กึกตรงนี้ให้ใค้อยู่โลกการบาลเวลาอาจารเห็นเห็นคนพูดมากนี่คือส่วนนอกนะแต่เราไปจิตข้างในด้วยที่กําลังมโมโหกําลังําคาญกําลังออึดดัดกัดเกลิงแต่เรายอมรับมัน ยอมรับความโมโหยอมรับความรําคาญยอมรับความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่เราไม่ไปทําต่างแค่ยรับมันแล้เปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะตกที่จะหยุดมันอย่างนี้มันเปลี่ยนเป็นพิกรในการศึกษาศึกษาดูเหมือนทีแบบเมื่อเราศึกษาการคันนั่นแหละจะคล้ายกัศึกษาการคันนั่นแหละแต่ไม่ทําอะไรกับการคันศึกษาควาคิดไม่ทาอะไรกับความคิดศึกษาอารมณ์แต่ไม่ทำอะไรกับอารมณ์แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาอ๋อจิตตัวรู้ ที่มันสามารถแยกตัวเองออกมาได้ทั้งความคิดและอารมณ์แยกตัว อ, ออกได้ทั้งร่างกายมันคือตรงนี้เองที่มันอยู่ส่วนฝึกที่สามเลยนี่คือฝึกส่วนที่สโดยเติมการเรียนรู้กับยอมรับใส่เข้าไปต้องยอมรับใช่ไหมเข้าใจอาจรยเนี่ยทุกคนลองฟังตรงนี้ดีๆ ด, ด, ด้วยโครงการส่วนที่สามเนี่ยเป็นโครการฝึกอยู่ระหว่างกลางทั้งภายนอกทั้งภายใน เติมการยอมรับทุกเรื่องนที่เกิดมาโดยให้เขาเกิดขอแล้วแค่รู้เท่านั้นพอแค่รู้เท่านั้นพอแล้วเขาจะดำเนินเรื่องก็ต่อก็ปล่อยก็ต่อไปเพราะช่วงนี้ยมันจะเรื่องําไมชาิค่คะอาจารย์ครับถ้าเราเวลากี้ที่เราเห็นความคิดโลาส่วนใหญ่ก็ดับไปแล้วอะ่ะเป็นเพราะเราไป อ, นนอันนี้แหละมันเป็นกําลังของสติกำลังของสมาธิกับกำลังของจิตตลาโดย นะเนะนะจตนาของเราเจตนาที่เราเราเราอยู่เนี่ยในนี้นี่คือส่วนส่วนใหญ่ที่เราไปต่อไปเราลดมันลดเจตนาที่จะทําอะไรกับความคิดลงแต่ก็เติมการเล่นกายเนี่ยการเล่นกายส่วนนอกแบบสบายสบายแบบเล่นเล่นขึ้นไหวเล่นเล่นกัะพิบตาเล่นแบบเล่นกายกับทบการกระทบภาษะเล่นเล่นลดเจตนาลงปล่อยให้เข้าเกิดเลยสังเกตดูสิเท่าเรา สังเกตดูยงกุงสังเกตดูดีนะถ้าเราสังเกตรูปปลชคไหนถ้าเรารู้ปุ๊บแล้วความคิดดับรู้ปุ๊บแล้วความคิดดับอ่ะก็จะมีความดีใจเล็กๆอยู่ในใจเราใช่ไหมมีความรู้สึกดีใจรู้สึกว่าในรู้สึกชอบใจอยู่เล็กๆในเราอ่ะเหมือยู่ในใจเราเหกับเหมือนไปผักเนาะพระอาจารย์เนาะไม่ได้ยอมรับเอออยู่ในใจเราแต่ถ้าวันไหนสังเกตดูสังเกตตดูดีถ้าวันไหนถ้่ฉันรู้แล้วมันไม่หยุดรู้แล้ววันได้หาย รู้แล้ววามันไม่ดับแล้เจ้ารู้สึกรําคาญนลำคาญในมันเลยอ๋อใช่ใช่พระอาจารย์มีด้วยมีรายงานไปบางวันที่แบบความคิดเข้าคอามคิดแล้วรู้สึกลาคาญใช่ค่ะเออเนี่ยอย่างนี่ยหละนี่ว่าจิตมันยังมียังมีความจิตอะมันมีความรู้สึกยังยังลดเจตนาไม่พอยังมีเจตนาที่จะไปกับผู้นะทีนี้ภาวะตายไม่เคยเกิดอารมณ์ที่เป็นผู้เบียดาเป็นไม่เคยเกิดจะมีอารมณการกระทํามียู่ นี่เราลงรถปล่อยให้มันกลัวอยู่นั่นแหละปล่อยให้มันกลัวอยู่นะั่นแหละล้บ่อยๆเข้าจิตจะเริ่มขึ้นกับการปล่อยให้ความคิดเกิดปล่อยให้อารมณ์เกิดแต่ตัวเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมันจะขึ้นขึ้นแบบนี้ดูมันดูดูดเป็นคนเป็นผู้ดูใช่ไหมคะเออนั่นแหละนั่นแหละคือคือต้องรู้จักอารมณ์ตัวรู้ให้ดีตัวรู้เลยนะคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตทุกเรื่องราวเท่านั้นนี่คืออารมณ์รู้ตัวรู้สึกตัว เรารลวงโดยจะทำกับแค่น so you know, ี้เองเป็นผู้ผู้ผู้รู้เป็นผู้สังเกตพอก็ทําตัวนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าพวกเขาจะค่อยๆเติมปัญญาให้แกตัวเขาเองเขาจะค่อยเติมปัญญารู้เรื่องราวต่างๆเข้าใจเรื่องราวต่างๆเห็นเรื่องราวต่างๆเห็นความสลายของเรื่องราวต่างๆเห็นความทุกของเรื่องราวต่างๆแต่เขาไม่ได้เป็นทุกด้วยเขาเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้สังเกตเห็นแก่ เนี่ยคืออารมณ์เขาตรู้สึกตัวที่อยู่ระหว่างปลางทั้งสองฟากฝั่งฟากฝั่งอายุธนะเขาเกิขึ้นตามเดิมครับเขาเขาสลายไปตามเดิมของเขาอย่างเงี้ยเขาจะลดใจเออเนี่ยนี่คือส่วนที่สามอารมณ์ที่สามที่เรากำลัตตงต้ อ, เองเติมต่อเติมต่อให้ตัง้งใจเฉงต้องเตองปอดเจตนาลงอืมจะแต่เปิดใจยอมรับมากขึ้นนะการลดเจตนาลง ใจยอมรับมากขึ้นอุเบกขาจะตามมานี่คือการลดลดเจตนาที่จะแทรกแซงมันแล้วก็เปิดใจยอมรับมันมากขึ้นพอใจอมรับมากขึ้นมามากเข้ามากเข้บอุเบกขาจะตามมาเมื่ออุเบกขาตามมาปุ๊บปัญญาวิปัสนาจะตามมาคือมันเริ่มรูบเริ่มตื่นตาเป็นวิปัานาแล้วแต่ถ้าเป็นในระบบของส่วนตรงนั้นอยู่ยังมีเจตนาอยู่ มีการฝึกฝืนอยู่เนี่ยมันจะเจือเจอเือด้วยลมสัพพะกะกึ่งวิปัสนาแต่เท่าเท่าทำตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นวิปัสนาลวน้ลว น, นวิปัสนาล้วนธรรมธาตุเล็กด้วยธรรมธาจะน้อยลงค้ะค่ะอาจาร ย, ยา์อาศัยว่าให้มันรู้ส่วนข้างนอกด้วยรู้ส่วนข้างในด้วยข้างนอกก็ยังดําเนินเรื่องธรงรมดามืนเติมตา ย, ยังเห็นรูปอยู่หูได้ยินเสียงอยู่จมูกได้กลิ่นอยู่นิ้วูบรถอยู่กายังสะพัดเคลื่อนไหวอยู่แต่ มีเงื่อนไขว่าให้รู้ตามหลังมันเรื่อยๆอย่าไปร้นนำมันแล้วเราจะเห็นว่ามันทำงานของมันเองเราแค่นั่งดูมันทำงานเฉยๆไม่ใช่เราไปทำงานแทนมันเนี่ยภาวะของสติสมาธิและปัญญาที่จะบบกไปผึเป็นเบื้ขาแล้วต่อไปจิตเข้าใจผูกมันเหมือนไม่รู้แต่มันไม่มีปัญหาเพราะมันเข้าใจฝึกปล่อยเข้าปล่อยเข้าเนี่ยไมจะเห็น กเรื่องเมื่อไม่เข้าใจทุกเรื่องเหมือนเราเข้าใจเรื่องงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนแต่เราเคยเราทํางานอะไรจะชานาล่ะทําอะไรชํานาญงานนะขับรถอ้าวขับรถจนชํานาญใช่ไหมค่ะเวลาเับรถจนชำนาญเนี่ยเราขับรถปรับเสังเกตไหมเรามีความกังวลกี่ยวกับการขับรถไหมไม่มีแต่บางครั้งเราไปขับรถแต่เรารู้สึกไหมว่าเราจะต้องเรียนรู้เรื่องกาขับรถ ใช่ไหมต้องเรียนรู้ไว้บางครั้งเราไม่ได้ขับรถเนี่เราต้องรู้สึกไว้ว่าเราต้องพยายามเรียนรู้กับการขับรถอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องไม่มีใจแตกต่างกันไหมเมื่อก่อนแรกอ่ะตอนแรกพอกลับรกลับมาแล้วเนี่ยต้องนึกภาพเขายังไงเบรกแบบเข่าเกียร์ยังไงเบรกคาดยังไงเลี้วยังไงเราจะมีการเรียนรู้อยู่ใช่ไหมค่ะอ่ะแต่พอเราเรียนรู้ตัวรับอ่ะ ทันใดก็เหมือนกันเขาเปิดให้จิตได้มีโอกาสเรียนรู้ความคิดแบบเดียวกันเมื่อเขาเรียนรู้ความคิดแบบเดียวกันจนเข้าใจความคิดเนี่ยจะมีความคิดจะมีอารมณ์ก็ตามช่วงแรกๆจิตเขาเริ่มเรียนรู้ก่อนพอเขาเรียนรู้เป็นแล้วต่อไปน่ะเขาเหมือนไม่ได้เรียนรู้แต่เขารู้อยู่เนี่ยนี่คือการหัดให้จิตเขาสามารถที่จะอยู่กับความคิดต่ำลงและเข้าใจความคิดเข้าใจลงได้อย่างชัดเจนโดยแต่ต่อไปเนี่ยเขาจะไม่สะดุ้งสะเทือน เมือเขารู้สึกตัวเข้าไปใช่หรือไม่รู้สึกตัวเข้าไปใช่จิตใจเขาน่ะเข้าใจอยู่มันคืออะไรเขาไม่ได้เดือดร้อนกับมันเข้าใจเพราว่นี่ไหมเข้าใจค่ะอาจารย์เข้าใจแต่ยังไปไม่ถึงจะเป็นการบวชเนื้อบวนการที่สาเนี่ยเราสังเกตตั้งแต่เราตื่นนอนเร่นๆเลยเห็นเราหอนอยู่ปั๊บเห็นร่างกายนอนอยู่อ้าวดูซิเห็นจิตที่มารู้ร่างกายอยู่ด้วย แลาเห็นจิตที่มันมีความคิดนึกคิดโผล่ขึ้มนมาในหัวเรื่อยๆในเวลาท่อพร้อมกันนั่นแหละเห็นทั้งกายที่นอนเห็นทั้งจิตที่กําลังคิดแต่เราก็จะมีภาวะไม่ยุ่งไม่เข้าไปอยู่กับการนอนจะไม่เข้าไปยียดกับการคิดแต่มีความรู้สึกอยู่ระหว่างกลางสองเรื่องราวนี้ตลอดทั้งวันนี่คือช่วงขั้นตอนที่สามที่เราเลิกเลือกให้กดเลือกให้กด น, นะเลือกให้กด แล้วก็ให้หยุดการเดินจงกรมแนหะเพื่อมาเติมต่อกระบวนการที่สามเนี่ยที่จะเติมต่อการยอครับแล้วก็เปิดใจเรียนรู้เพื่อมันจะได้เป็นอุเบกขาปัญญามันจะเกิดต้องเป็นวิปัสสนาต่อมาตอนเนี้ยเราก็ซ้อมไปตั้แต่วันนี้แหละนะแต่เราให้ลดเจตนาลงนะในช่วงนี้ยูแล้วอะไรเรื่องยอมรับมากขึ้นตัวเองชั่วก็ยอมรับว่าชั่วดีเลยแล้ว แล้ละไม่ใช่เป็นคน ด, ดีตแต่ก็ว่าว่าให้รู้ว่าไม่ใช่เราชั่วแต่เป็นอารมณ์ความคิดช่วยดูกชั่วแต่เราไม่ชั่วสักหน <c oughs> ่อยเพราะหนึ่งกายกรยกรมเรายังไม่ได้ทำสองวิีกรรมเรายังไม่ได้ทำสามโมโนกรรมเรายังไม่ได้ทํามันเป็นแค่ความคิดเป็นแค่อารมณ์เฉยๆแต่ใจเราไม่ได้ไปทำํำนั่นไม่ใช่ถือว่าเราชั่วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ฝ่อกุศลที่มันเกิดขึ้นหรือบางครั้งสังเกตไว้จะเป็นอารมณ์ฝ่ายดีก็เหมือนกัน เชนเราคิดดีแต่ยังไม่ได้ทํารู้สึกดีๆรู้สึกอยากจะพูดเรื่องดีๆแต่ยังไม่ได้ทํารู้สึกอารมณ์ดีๆ<ไ>เราก็<ไ>แก้เห็นมันที่เฉยเราไม่ได้เป็นเสพอันนี้ก็เหมือนค่ ะ, คะอะาจารย์เราเปรียบเรา เ, เราก็ยังไมได่ดีได้ชั่วแต่มันมีอารมณ์ดีกับอารมณ์ชั่วเกิดขึ้นสลับปาปเราก็เรียนรู้รองเราเรียนรู้แบบเนี้ผมก็จะเห็นจิตที่อิสระจากอารมณ์ดีและอารมณ์ชั่วแต่เห็นอารมณ์ดีและอารมณ์ชั่วตามที่มันเป็น ฉะนั้นให้มันจ e ีนแอบสองอันนี้ให้เปให้เป็นหลักเดยเพรมันจะเริ่มเริ่มเห็นตามชัดขึ้นนะนี่คือหลุมที่สามแต่ถ้าเราทําที่สามไปได้เราก็เริมาเล่นทกกันที่หนึ่งเรื่อยแต่ให้รู้จักผลลัพที่สามเป็นยังไงบางงานเขาลองทำตูนะทำตูอ่านะะจะยินเปล่าโยมไม่ค่อยได้ยินครอาจารย์ละจะยินไหมจะยินไหม ได้ยินป่โอเคได้ยินนะค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะเออเออเอ้อาวค่ะขอบะอาจารย์ค่ะก็ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าลองปล่อยตัวกดโยกก็ไม่กดเลยก็สบายดี ไม่โกรธที่รู้สึกว่าเออเหมือนก็ไม่ไม่มีพันธะอะไรค่ะแต่ว่าก็ปฏิบัติภาวนาไปคราวที่แล้วยมยังเดินจงโกลมอยู่นะคะอาอาที่ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยตอนนี้มันไปรู้สึกที่ความรู้สึกกายเนี่ยมันได้อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมันจะไปที่ใจไปที่ใจเลยทีเดียวอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยมันมีความ อิ่มๆยายเพราะว่าในระหว่างมันมีอยู่วันหนึ่งคืนไปซะครึ่งชั่วโมงค่ะมันก็มีความลงตัวของไอ้ตัวอะไรนะความรู้สึกกายแล้วก็ใจแล้วก็มันมีความคิดขึ้นมาพร้อมกันในช่วงนั้นเนี่ยยามันเอิ่มมากแล้วก็มันขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้ น, ข, น, ข, นขึ้นมาตามตัวเราก็เลยใจก็คิดว่าเออะอ้ น, นี้เนี่ยมันเป็นสภาวะ ที่รยินดีเนี่ยมันไม่ควรจะยินดีให้คือให้รู้เพียงแต่รู้ว่านี่คือนี่คือมันเป็นอาการแล้วคือเราไม่ควรจะเล็นยินดีกับมันจิต ก, ก็กําหนดตัวเองแล้วมันก็ลงค่ะไอ้ความยินดีเนี่ยมันก็ลงตามปกติอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ อ, อยองคิดว่าเรื่องที่สําคัญที่ยงอยากจะเรียนกราบเรียนถามก็คือว่า อ, อช่วงที่เรามี อ, อ, อดีต สัมพันธ์กับครอบครัวมากขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยพฤติกรรมของญาติที่ทําให้เราเกิดความกังวลหรือความไม่สบายใจอะไรอย่างนี้เนี่ยงยงก็พยายามคิดว่าเราเนี่ยไปไปติดดีติดชั่วอะไรหรือเปล่าหรือที่ติดดีก็หมายเพราะว่าคือเอาตัวเองเนี่ยไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็เลยใช้ขันติเอา เพให้มันเกิดสันติแล้วก็ก็นั่งดูมานนะแต่มันก็จะวนเข้ามาอยู่เรื่อยนะคะความไม่สบาใจจนกระทั่งพฤติกรรมของคนคนนั้นเนี่ยเขากลายเขาเปลี่ยนเปลี่ยนมาในทางที่รู้สึกว่าเออเราว่าเขาดีแล้วจงนั้นลเโยมก็กลับมาดีด้วยก็เลยคิดว่ายมก็จะเป็นคนที่เหมือนกับอะไรนะอ่อนไหวกับเรื่องอารมณ์ของคนคนนี้ยอ ะ, ค, ะค่ะก็เลยก็เลยทําไงดีอ่ะคะ่ะ คือที่จริงมันก็คือก็ไม่ได้ไประมิดไอ้กายวาจาใจอะไรแล้วอะค่ะกออ็อยู่เฉยๆยค่ะอือเขาเขาจะอยู่ตอนเนี้ตอนนี้มันต้องฝึก ค, คือที่จริงเ น, นี่ยอารมณ์พลันหนาอารมณ์พลันห่ะมันดีหมดเลยแต่ใจเรายังไม่ยอมรับมันจที่เวลาอารมณ์ดีจิๆเราจะยอมรับแต่อารมณ์ไม่ดีปุ๊บเรารู้สึกไม่ยอมรับมีการกระทาอะไรบางอย่างนอ่คือจิตที่ยังไม่อยากเป็นยังไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะคะ เราไม่ได้เป็นแต่อรมมันเป็นเราไม่ได้เห็นแต่อรมมันเป็นให้เราดูเข้าใจที่ไหมเราไม่ได้เป็นแต่อารมมันเป็นให้เรารู้แต่เราไม่รู้สึกว่าเราอู้แต่เรารู้สึกว่าเป็นอโอเคก็ต้องให้มาดูไอ้สองป้าฟังให้ดิกระเนี่ยลมก็เป็นให้เราดูเราไม่ยังไงถ้าไม่เป็นเลยถ้าเป็นเป็นยังไงยังเป็นสีถ้าเป็นเป็นยังไงรู้จักไหมเวลาทําเป็น คือถ้ามันเป็นนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเข้าไปร่วมด้วยนี่แหละเขาเรียกว่าอารมณ์มันเป็นด้วยแล้วใจก็เข้าไปเป็นด้วยนี่แค่เรียกว่าเป็นทั้งสองอย่างค่ะค่ะเออทีนี้ถ้าอารมณ์มันเป็นปุ๊บแล้วกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเราไม่ได้เป็นด้วยนี่เขาเรียกว่าอารมณ์มันเป็นแต่ใจเราไม่ได้เป็นอ๋อชัดเจนเลยค่ะเอออย่างมันประเด็นให้มันดีๆไปค้ามันไม่ได้เป็นลักษา มันต้องแสดง อ, อย่างนี้แหละแล้วเราลร า, ราโอเคเราก็เราก็มองมันไปอย่างนี้นนไปเรื่อยๆนะคะเวลาเดียวกันนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นพุกเวลาเดียวกันเราต้องพยายามปรับมาดูอีกบุกอีกฝั่งฝั่งด้วยว่าเราเสือไหมอีกฟั่งฝั่งด้วยเนี่เพราะตอนนี้เราจะฝึกประเด็นที่สามไงประเด็นที่สามที่เราต้องเข้าใจว่าเราจะอยู่ระหว่างกลางทั้งสองฝักฝั่เมื่อฝั่งฝั่งนี้เป็น เราก็ดูฟากฝั่งนี้ไปด้วยแล้วก็ดูฟารู้ฟังฝั่งนี้ไปด้วยคู่กันไปมันจะได้เป็นคนดูได้ได้ไม่หลุดไปกับฐานฝังฝั่งภายนอกที่ยังมีการกระทบอยู่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่จะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่เราก็รู้ฟังฝั่งนี้ไปด้วยเดี๋ยวเขาก็หายไปเองใช่หรอคะมันก็เป็นอย่างนั้นเออแล้วจะทําอะไรล่ะถ้าเราทำมากกว่านั้นปุ๊บ เราก็ไม่ได้มีใจที่จะเรียนรู้เขาเลยเนี่ยเราเปแต่การแสรกแสรกไปสู่อิมอนอ์เดิมมานีเขาไปสู่ทิฏฐิเดิมต้อไปสู่อารมณ์เดิมขึ้นการเขาหมดเดิมอาจารย์คะแล้วถ้าสมมุติว่าออการมีอารมณ์แบบนี้แล้วตัวเราเองเนี่ยอ่อนไหวกับแบบนี้พยายามฝึกในระหว่างที่เราพยายามฝึกขั้นที่สามเนี่ยค่ะเราเกิดเบื่อหน่ายพิธีกรรมของตัวเอง เราเป็นแบบนี้ทําให้เรารู้สึกไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วก็เฉยๆไปเลยดีไหมคะ่ะ<ม>คือปุ่นๆนานๆเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยแล้วเราเราเราแบบเฮ้ยไปยุ้งกับมันเลยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเองไม่ต้องไปยุ่งแล้วก็นนเปิดไปเลยไั น, นได้ไหนอันนี้มันเป็นการเป็นการหายแบบไม่ค่อยได้เข้าใจหายแบบก่อนใจนะ เออมันหายแบบไม่เข้าใจแต่มันยังค่องใจถ้าหายแบบเข้าใจมันมันจะไปคล่องไปล่งใจเลยที่การจะหายแบบให้มันเข้าใจได้เนี่ยต้องเปิดใจในการที่จะศึกษามันให้เต็มที่อนเข้าใจพฤติกรรมเพามันเกิดเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรเป็นอยู่เพราะอะไรมันหายเพราะอะไรเท่านั้นและตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันจะเกิดแบบที่อีกรอยครั้งพันคใจจะสงบเหมือนเดิมเพราะมันเข้าใจ เมื่อกับเรียนรู้ ว, วิชาใดวิชาหนึ่งจนเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาเราจะทําความรู้ชนิดนั้นเน่ะคราก็ไม่ต้กังวลของมันเลยแต่ตอนเนี้ยังเรียนรู้ไม่รอบไงยยังเรียนรู้ไม่รอบแต่เข้าใจไม่รอบจึงมีพฤติกรรมต่อต้านบ้างพฤติกรรมที่ว่ามันมีแรงผลักนะโยเป็นสีต้องสังเกตเห็นว่ามันมีแรงผลักอยู่ข้างหลังนะแรงผลักมันจะมีลักษณะหนึง่งมันมีอารมณ์ที่แสดงอยู่สองมันมีตัวรู้ที่รู้อยู่สาม มันมีอารมณ์อัดอยู่ข้างหลังที่ว่าต้องมันต้องเนี่ยก็ในใจในใจเนี่ยใ น, ในใจใ น, ในใจเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะไอตัวนี้แหละตัวสําคัญไอตัวนั้นอาจจะหายไปแล้วในสามปั๊แต่ตัวมันจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องระวังดีๆเพราะมันจะเป็นอารมณ์สอนที่คอยดัดนเราให้เข้าไปร่วมต้องดูเหลวกลับมาดูมาอีกทีหนึง่งเวลาเกิดขึ้น้าบุกก็ให้สังเกตอีกอันหนึ่งก่อ เวลาเราเกิดเอฟนั้นเกิดขึ้นมากเข้ามาเข้าดูสังเกตดูซิว่าอายตนะทางภายนอกเนี่ยมันหายไปไหมช่วงที่มันเป็นอ่ะมันหายใช่ไหมนั่นแหละพยายามให้ใจมันคุ้นกับอายตนะภายนอกนี่มากเข้าแต่เวลาสังเกตเวลานั้นเกิดขึ้นมาปุ๊บถ้าไอ้นี่ไม่หายนะใจเราจะเริ่มเป็นการใจจะเริ่มอยู่กับมันในสบาย่สบายแล้วนั่นแหละเป็นจังหวะเป็นเป็นจังหวะขั้นที่สามที่เรา เ ร, เริ่มเเติมเติมสติปัญญาให้จิตมันสัมผัสกัสบสภาวะนั้นเห็นความทุกข์กับสภาวะนั้นเห็นความขัดเกินกันสบสภาวะนั้นแล้วจิตมันจะไม่เข้าไปนั่นคือการแสดงความทุกข์ของอารมณ์ให้จิตกำลังเรียนรู้เออแค่แต่งเด็กองในระยะต้นๆ น, น, นิยมก็คือเหมือนคำว่าถ้าเกิดโ okay, อเค ม, มีอารมณ์อารมณ์แบบเห็นอะไรไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราก็คือจะไปเดิน เดินเพื่อให้เกิดีการสัมผัสอะไรพวกนี้แล้วก็นะเดี๋ยวว่าไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อให้เขาหายนะเขาจะอยู่กับเรื่องของเขาแต่เราก็ทำเพราะเราอิ่เออจริงๆทําแล้วมันน่าจะแบบอยากให้หายอะค่ะเไอเกี๊ยวนั่นแหละนั่นแหละตัวอย่างนั่นแหละตัวยาหลักตัวยาคเออไม่ไม่ยังไม่ยากมันยังมันยากเพราะจิตมันยังไม่มีเลย ยังใจยังไม่ยอมรับความจริงเยถ้าใจเยอะเริ่มเปิดใจยอมรับแเริ่มเปิดใจถ้าเปิดใจยอมรับความจริงของอะไรค่ะความจริงของอีกฝ่ายหนึ่งความจริงของอารมณ์นั้นความจริงของอารมณ์นั้นอ๋อนี่มันเป็นอารมณ์นี้อารมณ์อึดอัดอารมณ์ขัดเคืองอารมณ์ปฏิกับเป็นความจริงของอารมณ์นั้นที่กำลังปรากฏถ้าจิตจะรับความจริงนี่คืออารมณ์อย่างนี้แหละจิตมันจะเริ่มจำจิตจะเริ่มศึกษาจําด่ำค่ะ จิตจะเริ่มจำว่าเนี่ยพฤติกรรมต่อารมณนี้มันทุกอย่างนี้นะนี่เรื่อความจริงความจริงที่ปรากฏของอารมณ์นั้นๆน่ะจิตจะเริ่มยอมรับเออจิจะเริ่มศึกษาค่ะแต่พอคนถ้าเท่าก็คพอได้ฝึกขั้นตอนที่สามนะยอมเป็นสีต้องต้องดูอารมณ์วิชชาให้ดีขั้นตอนที่สามคืออารมณ์ที่อยู่ระหว่างการโดยมีอารมณ์ภายนอกด้วยอารมณ์ภายในด้วยโดยจิตรู้ทั้งอารมณ์ภายนอกภายใน ไปในเวลาเดียวกันได้ไดค่ะถ้าเราจะฝึกเป็ต่อลงที่สาถ้ามันไม่ไหวก็เข้ามาทำเข้าเข้ามาทำสองตัวนัดก่อนได้อย่างเป็นในรูปแบบตอนเช้าตอนเย็นทําไว้แล้วจะใช้ตูกดสักหก้าร้อยกกดไปหลังจากนั้นปล่อยตูกแล้วก็ฝึกรู้ฝึกรู้แบบการฝึกตูกดที่ดีอย่างหนึ่งนะการฝึกตูกดเนี่ย เราสักเกตดูดีๆดปุ๊บอะเราจะสังเกตว่าการฝึกตัวกดแต่ละครั้งเนี่ยต้องให้อารมณ์เกิดก่อนแล้วเราค่อกดใช่ไหยค่ะเออตรงนี้แหละมันเป็นการฝึกให้จิตรู้จักธรรมชาติล่ะเพราะโดยความเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยต้องให้อารมณ์เกิดก่อนจิตจึได้ต้องเกิดก่อนค่ะค่ะนี่ค่ะไม่ได้ไม่ได้บอกให้เอาตัวกดมาใช้แต่กำลังพูดถึงกำลังพูดถึงก่อน เราฝึกวิธีนิสัยที่เราฝึกมาตั้งแต่ต้นนะ่ะคือให้ อ, รอรารมณ์เกิดก่อนแล้วเราให้กดอารมณ์เกิดก่อนเราอาราให้กดเนี่ยเราจะไม่ได้ควรู้สึกตัวปธรรมชาติแต่พอรรเราลดตัวกดเรไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวรู้นอ่ะอารมณ์เกิดก่อนแล้วรู้นอนร า, ารมณ์เกิดก่อนแล้วรู้อารมณ์เกิดก่อนกล้รู้นี้แหละเป็นการฝึกรู้โธรรมชาติหละนี่พอเราไาอยู่ขั้นตอนที่สาปั๊บเนี่ยอารมณ์ภายนอกเกิดก่อนแล้วรู้อารมณ์ภายใ น, านเกิดก่อนแล้วรู้เอาแค่นี่พอ แล้วก็ปร ะ, ระคองตัวเองให้อยู่ตรงนี้ไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปข้งไปออกไปข้างนอกแต่เวลาเข้าไปข้างในก็รู้ข้างนอกมันจะหายแล้วก็อาศัยข้างนอกโดยอาศั์แต่ข้างนอกแต่ไม่ไม่ไปทําำลายข้างในอาศัยข้างนอกเล่นเล่นลูกเล่นตายแต่ละวันแต่ละวันแต่ลวันคือถ้าทําใจแบบยอมรับแล้วไม่มีอะไรนะไม่ใช่เกิดอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่เพระจะรู้มัน มรสการท่าาจารย์ค่ะค่ะแต่ต้องต้องฝึกนี่นคือเปิดใจยอมละพร้อมที่จะรู้มันทำแบบไหนให้มันเป็นที่ทนั้นแล้วคอยสักเกตว่ามันประจัดการไงมันแทรกแซงไงหรือมันเฉยเฉยยังไงหรือว่าอยู่ระว่างกลางตือเห็นภายในภายนอกยังไงเวลาเข้าไปใน้ลองภายในเนี่ย อะไรไมันเกิดหายไปภายนอกไม่หายไปกายจะหายเสียงจะหายแต่รูปจะหายร่างกายทั้งหมดจะหายไปแสดงว่าเข้าแ ล, แล้วเราก็เติมเติมโดยไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปแก้ไขข้างในเติมมาเล่นๆออกมาเดินเล่นๆท่องๆกาอยู่ไว้นนนดนั่นแหละคือความพอดีเของอารมณ์ที่สามเห็นทั้งภายนอกภายในไปพร้อมๆกันโดยจิตที่เป็นกลางไม่มีชอบไม่มีชัน้น แต่เป็นจิตที่ยอมรับได้ศึกษาแล้วจะต่องเข้าใจใครเข้าพอเข้าใจองค์ประกอบทีนี้แหละอาจจะคิดมาสักร้อยครั้งพันพันหมื่นครั้งแสนคนมันจะมีอารมณ์แบบไหนก็ตามปุกจิตเราจะนิ่งเฉยเพราะจิตเราเข้าใจของมันหมดแล้วมันจะพ้นไปจากเรื่องราวเหล่านี้ได้ทั้งที่มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดอยู่เราอ่านเด้ค่ะค่ะพระอาจารย์ใจเปล่าไม่ใจตรห พอเข้าใจแล้วจะลองฝึกดูค่ะคือต้องย้อนสังเกตว่าเข้าใจค่ะแล้วก็คิดว่าต้องมีโจทย์ยักษ์มาลองค่ะเพราะจริงๆแล้วปัญหาหรืออารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยอสิแวดล้มโจทย์ไปอยู่แล้วโจทย์มีทั้งโจบง่ายก็เป็นโจทย์หนึ่งโจทย์ากที่สุดคือโจทย์อะไรด้วย โจทยที่สุดเนี่ยสีโจทย์ความชอบใจในยากที่สุ ด, สดเลยโจทย์ความไม่ชอบใจเรารู้ง่ายแต่โจทย์ความชอบใจเนี่ยเรารู้ยากไมเก่งไหมคิด <c ười> <c ười> okay, เ, เรื่องโจทย์ยากของเราเนะี่ยคือโจทย์ความไม่ชอบใจนะแต่ตมาบอก <c ười> ให้โจทย์ชอบใจเนี่ยคือโจทย์ยากที่สุดแหะเ <c ười> พราะมันไม่เคยรู้นึกไม่ออกยังนึกไม่ออกเลยเรื่องชอบใจเป็น ย, ยังไงเอาไว้ไว้เวลาอื่นให้น้องๆพูดก่อนละกัน้ะค่ะ โยมไปฝึกเรื่องความไม่ชอบใจทีหลังค่ะกับใต้ใจค่ะเอาคนต่อไปกลุ่มหนึ่งใครกอลกลุ่มหนึ่งใครนอกม้งมีใครบ้างว่าแล้วเจียวมันจะเนื้ออยู่ไหนว่าโยมก็ยังไม่มีอะไรอ่จะรายงานท่านจารย์นะคะมีอย่าง กรณีวัน้นนไปอา่านดูพูดเรื่องเหมือนกับอา่านแล้วเหมือนกับว่าเออสรุปแล้วเหมือนเราลงอารมณ์ตลอดเวลาทีนี้สมมติว่าถ้าสมมติเวลาเราสมมติเราอ่านเฟซบุ o กหรืออ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แ, แล้วพออา่านปึ๊บเราชอบใจไม่ชอบใจเราก็พอเราไม่ชอบใจปึ๊บเราคิดว่านี้เราอยากต่อต้านมึงพวกแบบคนคอมเมนต์มาแบบแนชร์ ers, สนับสนุนเราไม่เห็นด้วยเลย เราก็จะเขียนเขียนต่อไปแล้วแบบตั้งต่อต้านแขาว่าเหตุผลนึกขึ้นมาได้ว่าเออเราอย่าไปยุ่งกับเขาที่กล่าไม่คอมเมนต์อะไรเลยแต่ยังไงสนามนี้มันก็คือการที่เราก็หลงอารมไปแล้วนะเราบินไปกับเรื่องนั้นแล้วก็จะเข้าไปจัดการกับเขาไปทำอะไรรู้รู้ไว้เวลาหลงหลงอย่างเป็นสีิ ไปตัดรงมาลงไปยังไงก็คือคือตอนแรกเราก็ยังเราเราเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยยี่นี้มันไม่พูดชาไม่ถูกคุเขียนยังงี้แบบเนี่ยเข้าข้างมันอะไรอะไเนี้ยแล้วเราก็จะไปเขียนอ่ะก็แต่แต่พอพอไปอ่านไอ้ที่ยี่นี้ลกเราก็เลยเข้าใจว่าเออเราเราหลงมาลงไปเยอะเลยนะแบบอะไรที่เข้าไปต่อต้านเขาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงเราไม่ควรจะเข้าไปยู่งกับเข เออตอนหลงอารมณ์น่ยมันจะลืมต okay. so ัวมันจะลืมไอมันจะลืมรูปลืมเสียงลืมลืมรสลืมสัมผัสเนีสังเกตไปบ่อยเฮ้มันลงไปแล้วนี่หว่ามันลืมปัจจุบันมันลืมตัวเองกาลังยืนอยู่เด้นอยู่นั่งอยู่ตั้งได้ยินอยู่กําลังเหยอยู่กำลังได้กินอยู่กำลังสัมผัสรสสัมผัสอากาศอยู่เนี่ยมันลืมตัรงนี้อ่ะแล้วมันหลงนะสังเกตตนั้ตรงนี้จะหายไปแล้วคอสังเกตไปบ่อย เออเราคอยสังเกตไปบ่อยสิเวลาเราเข้าไปจะอ่านไลน์อ่านเฟซอะไรก็ตามเราคอยสังเกตดูไปบ่อยสิเอามาเอมันไอตัวเจออ่านไลน์อ่านเฟซดูละครดูดางอะสังเกตดูว่าเอ๊ะมันยังรู้จุดตรงนี้ ไ, ไหมเพื่อมันจะได้ฝึกเออมันจะได้ฝึกให้เห็นนะว่าว่ามันรู้มันรู้ที่ร่างกายอยู่ด้วยแล้วรู้ที่มันกาลังมีอารมณ์อยู่ด้วยคเนี่ยมันจะเริ่มให้ตัวรู้ติชัดขึ้นตัวรู้ที่รู้ทั้งร่างกาย อยากรู้ทั้งที่กําลังคิดด้วยแต่ตัวเนี้ยคือตัวสําคัญอือต้องฝึกตัวนี้นิดนะยังโกรธอยู่เ่าเนี้ยยังโกดอยู่ค่ะกดอยู่ค่ะเออให้ไปได้ร้อยนะค่ะเพราะว่าองผมเนี้ยมันช่วยเราแบบว่ามันมันก็ช่วยเตือนเราครับแบบว่าเอออย่างเงี้ยได้เได้วันเดียวอย่งอย่างร้อยค่าอยงน้อยเราก็ดีระลึก รู้สึกตัวได้สี้าครั้งคุณภาพดีวิธดีเราก็ยังัได้ได้อะใช่แต่แต่เด็จะโกงตอเช้าตอนเย็นเองยังอยู่ไหมเวลาเดิอ่ะยอยู่ค่ะยังอยู่ก็แต่เราใหตุกาณ์แบบมันมันยุ่งยากไม่ได้เดินอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้นั่นแแต่ก็แม่ยากทำอย่าทิ้งอย่าทิ้งรักษาให้เป็นพวัตัดสินเลยดามตัดสิเราเลย ที่เกิแค่ไหนก็ต้องทํำเจ็ดไหนก็ต้องทําลําบากแค่ไหนก็ต้องทําป่วยแค่ไหนก็ต้องทำแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเสร็จแล้วอ่ะถ้าเรากดได้ห้าร้อยปุ๊บเนี่ยถ้าเรากดเราฝ่าทําอยี่ปุ๊บนะแล้วมากดได้ห้าร้อยปั๊บเนี่ยแล้วหลังจากกดนั้นอ่ะลองหัดเกิดเป็นมาว่าขั้นตอนที่สามดูสิให้บริหัดเข็มทั้งร่างกาย เห็นทั้งการคิดด้วยแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งกับความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งกับร่างกายแต่เห็นร่างกายอยู่อาศัยร่างกายแบบแตะๆเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวขก็มันเองแล้วเร า, เ ร, ารู้ตามทําหลักการเดียวกันกับจะกดนะเนี่ยแต่เราจะกดแต่การที่เราทําหลักเดียวกันยังขึ้นการยังไงได้ยินก่อนแล้วค่อยกดได้ห็นก่อนแล้วค่อยกดได้ยินก่อนแล้วค่อยกดได้เคลื่อนไหว heart, ก่อนแล้วค่อยกดใช่ไหม อะไรกันมันคิดก่อนแล้วค่อยกดไปดิเท่าตอนลดตัวเหลือแต่ตัวเหลือแต่แต่วรับรู้รับรู้เห็นหน้ากายมันทําเองมันเห็นตาหูอถไกริ้วกายมันทําเองมันตั้งเห็นตั้งความคิดมันทำเองมันแต่เราไแค่รับรู้อยู่ระหว่างการ อ, อย่างเงี้ยคอยไปสังเกตอย่างนี้ยดีๆไ ด, ด้โวยการที่สามเนี่ยคือโวยการที่กัน ฝึกอยู่ระหว่างกลางทั้งสองฝากฝังเพื่อเติมกันเติมกันยอมรับมันมาเป็นมันจะรมดีก็ได้อาราไม่ดีก็ได้ยอมรับมันไปเรียนรู้มันไปยอมรับเรียนรู้สู่เบียดขามเห็นมาขึ้นนะขอดนี้ถาให้จานานเด้อเราไปสังเกตอารมณ์สองตัวนี้นะว่าแต่ละวันเนี่ยสังเกตยอยู่หว่างนี้ได้เยเท่าไหร่ทั้งข้างนอกข้างใน ทั้งที่มันฟุ้งซ่านแหละมันฟุ้งซ่านเราไม่ได้ฟุ้งซ่านแต่เรารู้ฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยมันคิดไม่ใช่เราคิดแ ต, แต่รู้เราแต่ช่วงไหนถ้าเราไปลงไปกับมันนะท้งจริงจดีว่ากายกรรมวิจีกรรมโมโนกรรมอ่ะจะทำไปตามตามคําสั่งนั่นแหละเรื่องลงไปรูปประวันแล้วเสียท่าแล้วกับไม่ดีเซตใหม่ทั้งต้นใหมบ่บ่อยๆตัดศูนใหม่ไม่ไร้ไหม ไม่มีค่ะแค่แค่ตง บ, บ, บ้านหนักแล้ ว, เวลาเอะไร เ, เล่นไปสักสองสามอันเเล่นไปอันที่ก็ฝึกระดับที่หนึ่งที่ฝึกระบที่สองเขาที่แบบฝึกรอดับที่สามลองเล่นนไปนี่แหละเป็นไปเล่นมาทุกา ย, ยกมาสลับกันไปตัดตัวเนื้อ โอเคทำงานมาแล้สบายดียังไงสบายดีก็ ย, ยังคงปกติดีอยู่ค่ะผู้จารย์ไม่มีอะไรคะ่ะผิดปกติแสดงว่ า, าสบายเลยเอ๋อปกตินี้ค่ะผู้จารยปกติดีค่ะแล้วก็ก็ยกร้อมเนี่ยมีอยู่ไหะไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าอาจารย์ก็คือรู้สึกว่ามันมันเห็นความคิดด้วยแล้วก็อที่ที่ผู้จารย์บอกว่า อาจารที่เห็นชัดขึ้นแบบนี้ยคือดูมันทำอะค่ะโดยเฉพาะกายอะคะ่ะอาจารย์เห็นเห็นเห็นกายทํางานเองค่อนข้างชัดเจนค่ะแล้วอะไรอะค่ะแต่ว่าเห็นใจควบคู่ไปด้วยเนี่ยบางครั้งก็จะเห็นใจเห็นเห็นความคิดด้วยแล้วก็เห็นกนนารงานด้วยแต่ว่ายังไม่ชัดเจนมากค่ะนะ้ะสมมุติว่าเป็นเรื่องของของว่าดูมันทำํำแบบที่อาจารย์บอกเลยคะ่ะจะเห็นกายอะดูดูกายทํางานนะค่อนข้างชัดเจนชัด แต่จะเห็นความคิดว่ามันคิดมาเองจับได้ว่าความคิดนี่มันไม่ใช่มันมันคิดของมันเองเรื่อยๆแต่ว่าให้เห็นอยู่ระหว่างกลางระหว่างความคิดแั่กายแล้วถ้ามันเดินคู่ไปกันเป็นเืเพื่อนเน่ยค่ะการวางใจตรงเนี้ยังไม่ชัดเจนค่ะอาจารย์แต่ว่าเห็นความคิดขูนขึ้นมาขูนขึ้นมามันทำงานของมันเองเนี่ยเห็นค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นกายทำงานก็เห็นชัดแต่ว่าให้คั่วคู่ไปทั้งสองอ่านเนี่ยยังไม่ชัดค่ะอืมค่อยๆไปมันจะชัดบ้างไหมชัดบ้างจังบ้างแต่ว่า เห็นไหมพฤติกรรมของจิตที่ลดพฤติกรรมของจิตไปทำลายความคิดเน่ยถ้ารายความคิดถ้าความคิดเนี่ยลดลงลดลงค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าว่าอะไรว่าอะไรคือการจัดการว่าอะไรคืออ่าคือควรจะต้องทํำยังไงตอนนี้อ่าจะก่อนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดแต่ตอนนี้หลังจากที่ได้ได้มาเข้าค่ายแล้วก็ได้ฟังคําชี้แนะจากพ่อาจารย์นะคิดว่าหลักการของเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากเลย ให้นึกถึงสภาพนี้ง่ายๆแล้วกันหนึ่งเราเดินไปเนะี่ยมีคนอยู่อีกสองคนอยู่สองข้างของเราเนะี่ยค่อยจับจับแขนของเราอยู่เรื่อยคอยจับแขนเราอยู่เรื่อยแต่เราก็จ ไ, ไ, ไปเซไปกับเขาเดี๋ยวเดียวเขาก็หลุดไปจากเราเองแหละประมาณเนี้จะไปเดินขับไปเออมีข้างนอกเหมี่ยแขนข้าง ข, างขางวามีข้างในเหวี่ยแขนข้างซ้ายที่ค่อยจับมาสกีจค่อยจับันกระตุกคอยจับมาชวน แต่เราก็น้ำหน้าโยงเราไปไม่ไปกับเขาประมาณนี้แล้วเราจะเรียนรู้เขาว่าเขามาอย่างไรไปยังไงนี่เป็นความจำเป็นเดี๋ยน้องวาถ้าเราไมเติมวิปสัสสนาไม่เติมญาณปัญญาเข้าไปหรือไม่เติมสติปัญญาเข้าไปในการเรียนรู้ตรงนี้เราก็จะไม่ก้าคือเวลามันกิดขึ้นมาพวกเราจะไม่หายสงสัยค่ะพระอาจารย์ทัดปัญหาของโยมตรงนี้ค่ะคือพอเห็นความคิดปุ๊บอ่ะมันเหมือนกับเราไป็น ไปเจอความคิดแล้วเราก็แบบเออมันมาอย่าค่ะมันสะดุดนะอาจารย์มันยังทําให้เป็นกลางโดยที่วางไม่ได้ตอนเนี้มันเหมือนกับที่เราฝึกมาว่าเห็นความคิดปุ๊บให้เราฝึกเห็นความคิดะค่ะมันเหมือนกับมันจะอยู่ความคิดอย่าค่ะอาจารย์ปัญหาตรงเนี้ยค่ะพอคือเห็นความคิดปุ๊บแล้วเราก็สมัยก่อนเราใช้ตัวกดใช่ไหมคะอาจารย์พอเรากดปุ๊บเนี่ยความคิดของเราก็จะ มันก็เหมือนกับมาถูกตัดไปมาถูกกระตุ้นมามามากระตุ้นมารู้ที่ตัวมือของเราใช่ไหมคะแต่พอตอนนี้คุณพระอาจารย์ให้พัฒนาในระดับนึงว่าให้ไม่ต้องทําอะไรกับมันปล่อยมันเฉยเลยค่ะตอนนี้ของโยมกำลังกําลังพยายามทําตัวนี้พยายามที่จะเอ๋อมันมาก็ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับมันก็แค่ดูเฉยเฉยไม่ต้องกระตุ้นกระตุ้งไม่ต้องเปรถึงใช้มันค่ะก็ยังคงต้องต้องต้อง ต้องต้องเรียนรู้ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะะอาจารย์แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจถินว่าอ่าพอความคิดม่ะุ๊ก็ต้องกลับมารู้สึกตัวค่ะอืมอืมนั่นแหละจริงๆอ่ะกลับมารู้สึกตัวนะถูกแล้วแต่เราแบบกลับไปรู้สึกตีนเป็นโทษตีนะใช่รู้สึกีไม่ได้กลับมารู้สึกตัวไอ้การกลับมารู้สึกตัวคือเห็นท้าตัวกายที่กำลังเคลื่อนไหวเห็นทั้งตัวคิดที่กำลังดําเนินอยู่นี่ยกลับมารู้สึกตัวะ ใช่ค่ะแล้วปเค่ะจริงๆมันถูกแล้วอ่ะกลับมารู้สึกตัวนะค่ะด้านดตเรากย่ค่ะอือืทีนี้ทีนี้เวลาเวลารู้สึกอย่างนี้พุกต่อไปเปิดใจยอมรับความคิดมากขึ้นเปิดใจอมรับความคิมากขึ้นนะคะจอมันเลยมันเลยกันเลยเลยประมาณนี้ ก็<ส><ง>ที่ที่เราเข้าใจผิดอะค่ะที่แพทย์จาร์ก่อนๆนั่นนะคือคือความคิดเยอะมากเลยเพราะคิดเยอะมากก็เลยเป็นฟ้าตัาวปวดมาเลยอะค่ะหลังจากที่เปคุยกับแพทย์จารย์แตอนังคือวางวางแล้วเราก็อ้อปล่อยมามันจะเข้ามาเท่าไหร่ก็ปล่อยมาอย่างเงี้ยค่ะคือครั้งแรกเน้นความสึกว่าระหงุดีงิกับความคิดที่มันเยอะมากก็เลยบอกว่ า, วามันตัดไม่ได้เดี๋ยววันนั้นนะคะแป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงสองชั่วโมงในขณะที่เดินจงกรมอะ ความคิดมันเข้ามาตั้งสามร้อยกว่าครั้งไงพอาจารย์ก็เลยบอกเอ้ยไม่ไหวเป็นเอาตัวกดมาเอไปรายงานด้านงานได้บอกว่าให้ปรับมาเป็นตัวนี้ตอนนี้โยมก็พยายามทําตัวนี้อยู่ก่อนอย่างที่พอาจารย์ว่าปล่อยมันเข้ามาเราจะดูมนันอย่างค่ะเพราะเนี่ยนี่คืออารมณ์ที่สามไงอารมณ์ที่สามหรืออะไรมันอยู่ระหว่างเนี้ย ใ, ใ, ใ, ให้เห็นรูปให้เห็นนามเห็นเห็นรูปก็ทํา ให้ร hey, ูปก็ท hey, ํางานเขด้วยของเขาเองให้เห็นน้ำก็ทํางานของเขาเองให้จะรู้เขาได้ทำกิจความรับรู้ของเขาเองรับรู้รู้ยอมรับมันมันจะเข้าใจอารมณ์รู้สึกตัวดีๆอารู้สึกตัวคืออารมณ์สังเกตเราผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตเหตุการณ์ตอนนี้ยนี่คืออารมณ์ของตัวรู้สึกตัวค่ะไม่ใช่อรมณ์งตัวจัดการจะโต๊ะแต่อารมณ์ขงตัวจัดการนี่เป็นโารมณ์ต่างๆแต่ว่าจัดเจนถึงนั้นรู้จักแล้ว ค่ะรู้จัก เ, เป็อาจารย์แต่ว่ายังสัมผัสได้ยังยังไม่ได้ขี่จะพยายามทำค่ะอาจารย์คะวันเนี้ยค่ะพาคุณเนิชีลงเล่นน้ํอพาอะ น, น, น, นะคะวันนี้ได้ขี่รายงานอัตโยังไม่ได้นะคะพาคุณไม่ชีลงเล่นน้ําแล้วในขณะที่ที่เราเล่นน้ําอ่ะเรารู้สึกเรามีความสุขและมันไม่มีความคิดเลยมันอยู่กับ ก, กายตลอดเวลานีนเป็นยังไงคะอาจารย์มันเ ย, นยู่กับ ก, กายเพลินด้วย <laughs> เกิดเรื่งมันไม่มีความคิดอะไรหรอมันไม่มีคือในขณะนั้นมันเหมือนกะบอกมันโลกค่ะค่ะต่อไปต่อไปความคิดด้วยก็ติดสูงไปด้วยอ๋อหรอคะค่ะงิดสูงไปด้วยอันนั้นแสดงว่ามันเพินไปใช่ไหมครับอาจารย์เออเอนล็กไปแวาถ้ามเอ๊ทไมเราไม่ไม่มความคิดเาหายไปไหนหมดเมยที่ความคิดแต่มันมีความดตัวมัน ไม่กระยาดอยู่อธดงว่ามันจะสม่ไม่รู้สึกตัวทีแต่เป็นความเลยปะใช่หรอกบางครั้งมันมันก็จะมีช่วงความคิดที่มันหายไปก็มีอยู่แต่มีอารมณ์ว่างเฉยจะต้องรู้ว่าตัวเองว่านะแคะนั้นพค่ะอาจารย์ค่ะพอความคิดไม่ใช่มันตลอดหรอกแต่อย่างเราหลับนะมันก็หายไปก็เป็นอ๋อค่ะ ี่้วตื่นขึมาพุ๊เอออันนี้มันไม่มีเลยว่าโอ้โรคโรคอยู่แต่ต่อไปเี่ถ้ามันมีนะมีความสุของมันด้วยเมรานมันไม่มีนี่และเออจะไม่ด้แตะ้กับความคิดมทีนี่ความคิดถึงนความคิดรู้เป็นตัวรู้เลยแยกกันเลยพี่องค์อยู่ด้วยพี่องสโอ้โหเสียอีกข้างหนึ่งเพราะพี่องค์อยากพูดบ้าจางบอกว่าอยาพูดไม่ด้พูดวแล้วแยวใหจบเกี่ยวความ อะไรให้หัดอ่นี้แหละเราไปหัดอารมณที่ทให้เ็ด้อารมที่สาห้เป็นา่ค่ะนกาโอ้ยราคุณว่าใหดูความรสตัวที่เราสนุกไปด้วยมันไม่ได้หรออย่างคุณบอกย่างไรงานดีกว่าอารมณสตัวที่สนุกไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยอารมณตัวที่สนุกไปด้วยได้ไหมก็เห็นสนกว่าว่าเน่น่ดูดีดี ดูดีๆว่าระหว่างความสนุกกับตัวรู้ความสนุกต่างกันยังไงดูดีๆใช่ค่ะอาจารย์มีชัดเจนเล่ถ้าไม่ได้เปูความสนุกมาต่างกันยังไงดูควาเข้าไปในความสนุกค่ะอาจารย์เราไม่รู้เราไม่ได้เราไม่ได้ดูถ้าไม่ไปถามอาจารย์ตอนนี้ก็ยังโง่อยู่ค่ะอาจารย์พอจุดที่ว่าเอ๊ะถูกคิดขึ้นมาเราจะมาถามพระอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์เราสนแต่เราไม่รู้ว่าสนุกถูกอาจารย์ค่ะลองดูดีๆตดูรู้ตัวสนุกอย่างไง ถ้าตรารู้ตัวสนุกนะมันจะสนุกได้ทั้งสองอย่างสิทต่ความคิดเกิดแลก็สนุกได้วยจะพากัน